วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนพศสองพห้าร้อยสี่สิบทาบรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโทธิสัต t าอภิสมัยะสังยุตซึ่งเป็นวรรคที่เจ็ดสูตรที่หกซึ่งเป็นสูตรที่เราได้พูดมาจนถึงสูตรที่ห้าสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่อธิบายเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และสูตรนี้มีชื่อว่าสัมมาสูตรคาว่สาสัมมะหรือสัมมานะ ที่เราคุ้นเคยมาจากคําว่าสมาสาามติฐานซึ่งเป็นวิปัสนาญาณที่สามนั้นแต่ตามชื่อว่าการพิจารณาสมาสาสมติฐาสนสมมติฐาจึงเป็นชื่อของปัญญาหรืออาการของปัญญาที่พิจารณาธรรมเนื้อความของสูตรนี้ท่านก็หมายถึงการพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระ การแสดงปฏิจจสมุปบาทนี้มีข้อแตกต่างไปจากเดิมบ้างโดยรูปแบบของการเทศนาพระผู้มีภาคแสดงสูตรนี้เมื่อทรงประทับอยู่ณนะกรรมมาสะธรรมนิคมของชาวกุรุนาครุชนบทณที่นั้นแลพระผู้มีภาคได้ตรัสเล่ห์พิสูจทั้งหลายพวกปิกษุทูลรับการดำรัสของพระผู้มีพภาคพระผู้มีภาคได้ตรัสว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อพิจารณา ย่อมพิจารณาทำภายในบ้านหรือไม่แต่พระผู้มีาภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วมีที่สูตรหนึ่งได้กล่าวทูลเมื่อความนี้ขึ้นแต่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในพระเจ้าค่ะตูเจ้าถามด้วยคำว่าปัจจัยภายในก็จะเห็นว่าพระสูตรนี้ในเบื้องต้นนั้นได้กล่าวถึงที่แสดง ว่าพระผู้มีพระแสดงอยู่ที่กุรุชนบทซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่พระผู้มีภาะได้แสดงมหาสติปัฏฐานสูตรและสติปัฏฐานสูตรแล้วก็มีฐานนสูตรซึ่งเป็นสูตรสําคัญสําคัญประสูตรที่แสดงที่สูตรนี้ทั้งหมดเนี่ยล้นแล้วแต่เป็นสูตรที่ยากและลึกซึ้งเกี่ยวกับสภา ว, ธร ร, รรภาวธรรมขั้นปรมัาหรือสภาวธรรมชั้นสูงทั้งนั้นเหตุผลที่อธิบายก็อย่างเดียวกับที่พูดแล้วว่าเพราะว่าชาวกุรุนั้น เป็นพวกปัญญาจริตมีความเป็นอยู่ดีอากาศสบายะอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็ เ, เทศะที่เป็นที่รวมของประชาชนนั้นก็เป็นพวกที่มีสติปัญญาไฝ่ธรรมด้วยกันทั้งนั้นจึงได้เลือกธรรมะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติและชั้นสูงแสดงแม้ว่าที่นี้จะทรงแสดงแก่พระภิกษุทั้งหลายและก็มีญาติโยมมาสมทบ่ฟังด้วย การแสดงของพระผู้มีพระภาพนั้นได้เริ่มต้นในการถามว่าเธอทั้งหลายคือภิกษุทั้งหลายเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาปัจจัยภายในบ้างหรือไม่ก็คือถามว่าการที่ภิกษุทั้งหลายได้พิจารณากำว่าพิจารณาหมายถึงการปฏิบัติการเจริญสมถาวิปัสสนานั่นแหละแต่ในที่นี้ทรงหมายถึงการเจริญวิปัสสนาเรียกว่าการพิจารณาก็ได้ทรงถามว่า ทำนองว่าได้พิจารณาเรื่องอะไรแต่แทนที่ถามเรื่องอะไรเนี่ยก็ทรงถามลัดเข้ามาว่าพิสุทลหลายเธอทำวิปัสนาด้วยการพิจารณาปัจจัยภายในหรือเปล่าพิสุทั้งหลายก็กราบทูลตอบแต่ว่าไม่เป็นที่ถูกระไทยผมจะขออธิบายถึงคาว่าปัจจัยคาว่าภายในที่เป็นวิปัสนาภูมิในที่นี้พิจารณาเป็นชื่อของการปฏิบัติวิปัสนา แต่แรกคำคืออารัตตวิปัสนาเลื่อยไปจนถึงวิปัสนาแท้ก็จะต้องมีอารมณ์ของวิปัสนาที่เรียกว่าวิปัสนาภูมิหรือนามรูปแต่ไม่ได้ตรงเรียกว่านามรูปในทีน่นี้เพราะว่าการปฏิบัติวิปัสสนานั้นจะในที่นี้ใช้ประเภทธรรมชนิดใดชนิดหนึ่งมาเป็นเครื่องกําหนดพิจารณาได้ทรงกล่าวด้วยคำว่าปัจจัยภายใน คำว่าภายในก่อนอยาอธิบายถึงคำว่าภายในคำว่าภายในที่ใช้ในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายหลายประการประการที่หนึ่งสิ่งใดที่อยู่ข้างในซึ่งกล่าวด้วยอำนาจลังเทศอยู่ข้างในเหมือนกองอยู่ในหีบคนอยู่ในบ้านทรัพย์อยู่ในดินเรียกว่าภายในอ่าอย่างเช่น ไส่อยู่ในท้องเนี่ยไส้ก็เรียกว่าภายในอันตานี่แปลว่าภายในเป็นชื่อของไส้แต่แปลตามชื่อว่าภายในอันนี้เป็นการเรียกโดยเทสะสิ่งใดที่อยู่ด้านในเรียกว่าข้างในหรือภายในอีกอันหนึ่งอย่างที่สองภายในท่านหมายถึงกว่าสิ่งสำคัญความสำคัญอะไรที่เป็นความสำคัญเรียกภายใน อ่าข้อนี้ก็ที่เคยเอ่ยถึงแล้วว่าอย่างเราพูดถึงคนภายในก็เรียกว่าเป็นภายในในถ้าพูดถึงอย่างในทางธรรมะเขาเรียกว่ารูปภายในรูปภายในหมายถึงรูปที่มีความสําคัญใกล้ชิดที่ต้องใช้บ่อยเช่นภาษาตาเนี่ยเป็นรูปภายในทั้งที่ตานั้นหันมาข้างนอก แล้วก็ไม่ได้อยู่ภายในสรีละนี่เหมือนอย่างลําไส้แต่ก็เรียกประสาทตาประสาทรูประสาทลิ้นประสาทจมูกแล้วก็ประสาทกายว่าเป็นรูปภายในอันนี้หมายถึงความสาคัญท่านก็บอกอย่างนั้นเปรียบเหมือนคนภายในที่ต้องต้องเรียกใช้บ่อยแม้ว่าคนนั้นจะอยู่ข้างนอกก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามชื่อว่าเป็นคนภายในเสมออย่างที่สามภายในท่านหมายถึงตัวเอง ตัวเองคือเราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นภายในโดยสันดานเขืนดานหมายถึงการสืบต่อคือตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ภายในเป็นบุคคลภายในคนอื่นนั้นเป็นพวกนอกคือนอกตัวเราเองภายในบางแห่งจึงหมายถึงตรงนี้ถ้าอ้างถึงในสติปัฏฐานสูตรก็จะตรัส ถึงคำว่าภายในเนี่ยสองอย่างเดี๋ยวผมบอกดีกๆกันแล้วกันแล้วมีอันนี้อยู่อย่างหนึ่งด้วยอย่างที่สี่สิ่งที่มีชีวิตเรียกว่าภายในอย่างดาวทุกคนเรียกว่าเป็นธรรมภายในสิ่งที่ไม่มีชีวิตเรียกว่าเป็นธรรมภายนอกเป็นของข้างนอกเป็นของภายนอกเป็นพายหิระคือภายนอกอันสัตว์ก็ถือว่าเป็นธรรมภายในแต่ข้อนี้ท่านหมายถึงความเป็นอุ ป, ปาทินกาสังขาร สังขารเนี่ยมีสองอย่างคืออนุปาจินกาตสังขารอุปาจินกาสังขารสังขารใดที่มีกรรมมีกรรมยึดถือมีกรรมดูแลเอาง่ายๆย่งมีกรรมดูแลเรียกว่าอุปาจินกาตสังขารสังขารใดหรือสิ่งใดที่ไม่มีกรรมดูแลกรรมนี้เรียกถึงว่าเป็นปัจจัยสําคัญสังขารนั้นเรียกว่าอนุปาจินกาตสังขารชื่อว่าเป็นของข้างนอกไม่ได้เป็นสาระตัหลักสําคัญอะไร ก็จึงว่าในความว่าภายในในความหมายที่สีเนี่ยสัตว์ชื่อว่าในจึงมีชีวิตชื่อว่าในสิงไม่มีชีวิตชื่อว่าของนอกของภายนอกมีสามอย่างนี้สี่อย่างนี้ทีนี้ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดถึงสูตรนี้ท่านหมายถึงอะไรเราจะคุนกับเนื้อความในสติปัฏฐานสูตรที่ทรงตรัสว่าพิจารณาเห็นกายภายในบ้างนอกบ้าง แล้วมีตราดอยู่สองที่อย่างเช่นกายเยกายานุปัสสีมิหารติที่หนึ่งแล้วก็อัจฉติการะหิตาแต่อัจฉติกาวาประหิตาว่าคือข้างในบ้างข้างนอกบ้างบาลีใช้คนละตัวกันแต่แล้วก็ความหมายก็ต่างกันด้วยแปลเป็นไทยเหมือนกันวันในว่านอกอความหมายที่หนึ่งที่ใช้ในคําว่ากายเยกายานุปัสสีวาสติพิจารณากายในกายภายในภายนอกเนี่ย คำว่ากายในกายตัวเนี้ยท่านหมายถึงที่สถานที่คือสิ่งที่อยู่ที่กายอยู่ในกายเรียกว่าเป็นภายในกายในกายหรืออย่างเช่นพิจารณาผมเนี่ยผมท่านเรียกกายเรียกลมลวงกันไปเป็นส่วนหนึ่งของกายที่อยู่ที่ร่างกายของเราเรียกว่ากายในกายของผมของทุกคนนี่เรียกว่าใครพิจณาผมเรียก่าพิจนากายในกายพิจานาลมเรียกว่าพิจนากายในกาย เพราะว่ า, าผมนั้นอยู่ที่กายจริงๆมันแปลว่าที่นะแต่ว่าเขาแปลว่าในก็เลยชวนให้ยุ่งอย่างนี้แหละนี่เป็นอย่างหนึ่งที่ในสติปัฏฐานสูตรใช่อย่างที่สองท่านหมายถึงตัวเองใครที่พิจารณาเช่นว่าพิจารณาจิตของตัวชื่อว่าอัจฉติกาวาอัจฉติกา พิจารณาจิตของตัวพิจารณาจิตในจิตอันหนึ่งแล้วก็จิตในจิตอันเป็นภายในก็คือพิจารณาจิตของตัวชื่อว่าพิจารณาภายในในีในที่ใช้เป็นผมที่สองนะใครที่อ่านสถิปิวสานสูตรแล้วก็นึกออกทุกคนแล้วก็พรหยิบถาว่าพิจารณาจิตในจิตอันเป็นไว้นอกหมายถึงจิตคนอื่นคนที่ทํากรรมฐานนั้นเมื่อกําหนดดูจิตตัวเองจนจานานแล้ว ก็จะค่อยๆพ อ, อใจความดีของคนอื่นออกไปโดยละเอียดมากขึ้นพิจารณาการเดินของตัวเองก็ได้พิจารณาเมื่อเห็นคนอื่นเดินก็พิจารณาได้หรือแม้ไม่เห็นไอ้ความยานเนี่ยมันมีการประสิทธิ์ประเทศเปรียบกันว่าแม้เราเป็นอย่างนี้กี่ช่างิชาตเป็นอย่างนี้แม้สัตว์อื่นก็เดินด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้เขาเลยบอกพิจารณาข้างนอกแล้วก็จะเดินด้วยเหตุผลอะไรอะไรกลไกอย่างไรอย่างไรเนี่ยเป็นอันเดียวกันหมด ก็จะรู้หรือไปเห็นคนอื่นดูอยู่ตาน่าเดินอยู่ตาน้าดูแล้วก็เกิดสติประหนึ่งว่าตัวเองการเดินของคนอื่นนั้นเป็นตัวเองเลยอันนี้เป็นความคมของสติสัมมชัญญาทาคนอื่นกับตัวเองนั้นให้ไม่ต่างกันในทางการรับรู้นั่นเป็นเรื่องในสติปัฏฐานใช้เป็นสองกรณีสําหรับในสูตรนี้ท่านหมายถึงตัวเอง หมายถึงตัวเองเป็นอันที่หนึ่งแล้วก็หมายอนุโลมไปถึงผู้อื่นด้วยหมายอนุโลมไปถึงผู้อื่นด้วยเมื่อกี้ผมได้บอกแล้วว่าภายในอย่างที่หนึ่งคือตัวอ ย, อย่างหนึ่งคือตัวเองและอย่างที่สองหมายถึงสัตว์ซึ่งโดยความหมายของคาว่าภายในตัวเนี้ก็หมายถึงปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทก็คือกองนามรูปที่มีความเกี่ยวพันกันในรูปของกระแสเหตุปัจจัยและปฏิจจาเนี่ยเราไม่อาจที่จะไปพิจารณาได้จากต้นหมากลางไม้ก่อนหินก้อนดินก่อนหินก้อนดินไม่เป็นสังสารวัตไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทจะมีฐานะเป็นอยนายตนะได้บ้างแต่ตัวเราแต่ละคนเนี่ยเป็นวงของปฏิจจสมุปบาท แต่วงหนึ่งวงหนึ่งวงหนึ่ ง, ง, งและคนที่เมื่อจะทําวิปัสนาด้วยอาศัยในของปฏิจจสมุปบาททำก็จะต้องเริ่มโดยการกําหนดตัวเองคือ พ, พูดง่ายเราพูดว่าทําวิปัสนาจึงกาหนดนามรูปก็ได้กําหนดปฏิจจา ก, ก็ได้กาหนดอริยสัจสี่ก็ได้มันอันเดียวกันเนีย่ยเกงแต่พระุทธเจ้าบัญญัติต่างๆกําหนดธาติก็ได้กำหนดอายตนะก็ได้ได้ทั้งนั้น อปัญหาก็คือว่าเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงไอ้คาว่าปัจจัยพูดถึงต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าภายในเมื่อกำหนดตัวเองในชั้นเบื้องต้นแล้วก็ค่อยไปเติมส่วนการรับรู้ในบุคคลอื่นให้มากด้วยขึ้นด้วยเหมือนกับตัวเองคือการทำวิปัสสนาเนี่ยรู้เขารู้เราโดยอาศัยรู้เราก่อนเพราะเมื่อเรารู้จากเราดีก็รู้จักคนอื่น เพรคนอื่นเป็นปฏิจจ ա เหมือนกราเราก็ เ, าเป็นปฏิจจ ա เหมือนคนอื่นเข้าใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นกระทั้งมันมันมันมันจะได้ระดับเหมือนกันหมดเพราะว่าไอ้คนเราเนี่ยเราต้องนึกว่าไอ้เราเนี่ยโดยเรื่องหลักความคิดเรื่องกิเลสเรื่องการรับรู้เนี่ยนะมันจะมาอยู่ที่ตัวเราเองเไอ้สัดส่วนความแตกต่างระหว่างเรากับเขาหรือช่องว่างมันห่างกันมากและคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคือคนที่ลดช่องว่าง เจันรถช่งองว่างในในทางความรักความเข้าใจคนระหว่างตัวเองคนอื่นลดช่องว่างในความอย่างรู้ตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ลดช่องว่างมาถึงในทางพฤติกรรมคือการอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีช่องว่างอย่างชีวิตพระสงฆ์เนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันอย่างไม่มีช่องว่างทุกอย่างกท่านจดทั้งโดยวินัยกําหนดทั้งโดยพฤติกรรมของท่านเนี่ยนะเสมอเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันพระพุทธเจ้าก็บินธบาติพระเทวทัตเข้าบินธบาติพระพุทธเจ้าก็นุ่งหม่มไตรจีวรปรงุงอา่าปรงพระปรงพระ เ, รยยะเสียรอาจจะพิเศษกว่านักพิสูจน์อื่นก็เหมือนกันช่องว่างไม่มีทุกองค์มาบวชก็เสมอกันหมดก็เนี่เป็นเรียกว่าลดช่องว่างจริงๆและอย่างที่เราเข้าใจได้ก็คือว่า ความเข้าถึงธรรมะมากขึ้นเนี่ยก็คือเข้าถึงคนตัวเองมากขึ้นเข้าถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ชื่อว่ามีคุณสมบัติในทางการอยู่ร่วมกันอย่างดีที่สุดความอย่างรู้ใดๆที่เมื่อเริ่มจากตัวก็ยังเริ่มจากอืมก็ธรรมะนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเริ่มเนี่ยต้องเอาตัวเองเป็นตัวหลักเหมือนกับเราแผ้เมตตาก็เริ่มแผ้ตัวเองก่อนแล้วก็นั่งนึกถึงคนอื่นว่าเราคิดอย่างไรปรารถนาอย่างไร ต้องการอย่างไรคนอื่นก็มีความจมงหวังมีความมุ่งหวังต้องการอย่างนั้นการจะรักษาหมู่คณะไว้ได้ก็ต้องรักษาตัวเองก่อนแล้วก็รักษาหมู่คณะได้ท่านจึงให้พิจารณาภายในเนี่ยเป็นเริ่มต้นน้ำหนักขั้งแรกจะอยู่ที่เราความรับรู้ขั้งแรกจะอยู่ที่เราต่อไปก็จะค่อยๆไหลบ่าไปหาคนอื่นโดยลำดับมากขึ้น วิที่ใช้คําว่าปัจจัยใช้คําว่าปัจจัยความจริงนะถ้าเป็นส่วนอื่นก็ทรงเรียกว่าปฏิจจสมุปาท์และเรียกอย่างอื่นไปได้หลายอย่างแต่ในที่เรียกว่าปัจจัยปัจจัยเราก็รู้ว่าแปลว่าสิ่งที่ทําให้ผลเกิดทําให้ผลปรากฏท่านที่ฟังปัจฐานมาแล้วก็จะคุ้นและค ง, งยังจําได้ถึงคําคู่หนึ่งเหตุคู่กับผลเป็นคําที่เราใช้กันโดยทั่วไปแล้ว แล้วก็ปัจจัยคู่กับปัจจิุบันปัจจิุบันก็มาจากคาว่าปัจจะยะบวกอุปปันนะแปลว่าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจิุบันนีงแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปัจจัยก็คือสิ่งที่ทําให้ปัจจิุบันเกิดก็คือปัจจัยเป็นเหตุปัจจิุบันเป็นผลแต่ในสูตรนี้ตรัสเรียกตัวเดียวว่าปัจจัยเพราะทรงหมายเอา ปัจจยุบันด้วยนั่นเองแหละแต่เรียกตัวเดียวเพราะว่าปฏิจจทุกองคเนี่ก็มีฐานะเป็นปัจจัยทั้งนั้นอันเดก็เป็นผลคือถ้า เ, เรียกกันเต็มียาปัจเจะยะปัจเจยุบันนะแต่ถ้าเรียกปัจจัยก็เป็นที่รู้กันหมดว่หมายถึงปัจจยุบันด้วยซึ่งก็หมายความว่าที่ท่านมาเรียกในด้านของปัจจัยเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยน้ำหนัก ของตัวเนี่ยมาอยู่ที่ฐานะของความเป็นสมุทยัยเรากำลังสร้างสัง ส, ง ส, งสรารวัติคือพูดง่ายว่าเราอยู่ในสี่ของตัวสร้างอยู่ในสภาพของผู้สร้างแล้วก็การจะดับทุกข์ดับปฏิจจสมุปบาทได้ก็ต้องดับพลังในทางปัจจัยของปฏิจจาแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นให้ลดลงให้อ่อนกำลังลงเช่นอวิชชาปาไม่รู้ เมื่อปฏิบัติธรรมเจริญปัญญาก็ค่อยๆเริ่มรู้ขึ้นมาทีละนิดเียวหน่อยตามสมควรการทํากรรมคือสังขารการปรุงแต่งเมื่อเราเข้าใจอะไรมากขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองเราก็จะจํากัดพฤติกรรมทางอาุปโสตกรรมให้แคบเขา้าแล้วก็ขยายฐานของอุปโสตกรรมให้กว้างขึ้นอันนี้ก็เป็นการลดไปตามส่วนและเมื่อเรา ลดสังขาครควบคุมสังขารได้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจำกัดปฏิสนธิวิญญาณที่จะต้องไปเกิดไอ้วิญญาณที่จะไปปฏิสนธิในนรกเช่นว่าเอาเวจีมานรกถ้าพอข้าแม่เนี่ยคงเป็นไปได้ยากเต็มทีแล้วโอกาสจะเผลอก็ยิ่งยากเต็มทีและถ้าเราทำดีก็การจะไปนรกขุมใดๆก็ยากขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นการถอนควบคุม วิบากในปฏิสนธิแห่งอบัยภูมิให้ลดลงในเมื่อเอาวิชาวิชาเรามากขึ้นเวิชามันลดลงการปรุงแต่งมันก็จะต้องลดลงไอ้ยอย่างที่เราบอกมีการละมีการไม่อยากนูน่นอยาน่างนี้ปลอ่ปลอยนู่นปล่อยนี่เบือ่อนูน่บนบื่นี่ในลักษณะของคนที่ทราบซึ้งในธรรมะจัดจัดเนี่ยมันก็คืออย่างนี้และมันอธิบายไปถึงคติในอนาคตของคนนั้นได้เลยว่าเป็นอย่างไรอันนี้นะครับคือการลด ที่พอพูดแล้วเราพอเข้าใจได้แต่คนที่เขาลงลึกเนี่ยเขาจะปล่อยวางอย่างชนิดที่เราเองก็ยังไม่สามารถที่จะยอมรับความรู้สึกอย่างนั้นได้อย่างสนิทใจเราก็ไม่คยแน่ใจและเรากลัวเพราะาอันนี้ก็เป็นธรรมดาครับว่าอาวิชาเรายังอ่อนอยู่อ่อนกว่าเขาการที่จะทำอะไรหรืออะไรอย่างเขาเนี่ยมันบางที ไอ้หลายคนอาจจะมองคนเข้าวัดคนปฏิบัติธรรมอย่างแห้งแรงไอ้นี่ก็เอ้ยเวลาเราไปอยู่เราไปเห็นใครเขาอยู่ปฏิบัติธรรมมาจากที่ต่างๆชีวิตก็เคยสนุกสนานแล้วเวลาเรานั่งมองเราก็แบ่งความคิดเป็นสองแบบสมมุติเป็นสองแบบแบบหนึ่งก็แบบโลกแบบหนึ่งก็แบบธรรมะไอ้แบบธรรมะก็เห็นแล้วก็ซาบซึ้งไปนะแต่แบบโูกช่างไม่สนุกเลยมันจะสนุกมึนก็ใช้เวลาเดินไปเที่ยวรอบโลกได้ไหมเนี่ยมันจะสนุกมึนก็ได้ไปกินอาหารอรอ่อยอร่อยได้ไหมเนี่ย อะไรนี่นะแล้วบางคนเขาเคยอยู่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวใส่รองเท้าหนังยเยลเคใส่เสื้อนอกผูกเนิไถ่มีเครื่องประดับประดาวางเพชรจะต้องมานน่งสลงต้องมาใส่รองเท้าแต่ต้องมาเดินสำรวมงุดงุ ด, ง, ดงุดนี่นะมันช่างไม่สนุกเลยแล้วก็คิดแทนความคิดอื่นไปเป็นสองอย่างแต่ก็นั่นแหละไอ้เมื่อคิดอย่างนี้ก็ทําให้เราเราเข้าใจธรรมะที่มันอยู่ตรงกลางมากขึ้นว่า มันเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นทําไมบางคนเขาเขารู้สึกเป็นอีกแบบทําไมอีกคนเขาเป็นอีกแบบแล้วทําไมคนที่เคยเป็นแบบหนึ่งแล้วมาเป็นแบบหนึ่งนั่นมันเพราะอะไรเราก็ได้คําตอบแล้วก็กลับมาหาตัวเองว่าถึงเดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างนี้มันก็เพราะว่าเราเข้าถึงแบบหนึ่งในวันขนา้างหน้าเราก็คงจะมีหวังบ้างถ้าเราเพอเข้าใจอย่างนี้อยู่เพราะว่าคนเวลามันมืดนะมืดจริงๆ มืดเนี่ยไอตอนเราค่ะไม่ไม่สางมืดเราไม่รู้สึกว่าเรามืดใช่ไหมจ๊ะพอสางมืดบ้างเนี่ยรู้สึกว่าเรามืดจริงๆแล้ไปเห็นคนที่มืดอย่างตอนเรามืดเรากลืงเขามืดจริงๆไอเขาหาว่าเรามืดก็คิดไปแบบอีกสิกหนึ่งซึ่งเขาก็ธรรมดาที่ก็ไม่สามารถจะรับอะไรเป็นเครื่องเล้วก็เพราะอาวิชชาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ การปฏิบัติจิตาวนาเนึกก็คือในแง่หนึ่งที่ท่านเรียกว่าการเจริญญาณก็เรียกเจริญญาณทาให้ปัญญาเกิดเพราะปัญญามเกิดแล้วมันปัญญาจริงๆเนี่ยมันมันเกิดแล้วมันลดละอะไรปฏิจจานี่ยมกระเทือนเป็นแถวๆไปตามส่วนเลยชาชรามรณะอะไรก็ถูกกระเทือนไปตามส่วนเกี่ยว่าการตายนะนะถึงเราจะไม่อยุตตายเลยดีๆแต่ว่าก็จะตายดีในนี้ท่านบอกไว้แล้วอ่ะมันหลายหลากต่างกัน แก่ก็แก่อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นแต่แกนี่จะมาแก่แก่แบบอย่างบางทีไม่ทันจะได้แก่เล แ, แก่ยังไม่สุกงอมเต็มที่เข้าไปเชื่อดกันแล้วอะไรเงี้ยเป็นหมูหันบ้งอะ่รบ้างอย่างเด็กๆ เ, เล็กๆ เ, เ, เข้าไปเชื่อดกินหนังๆติดกระดกูกอะไรอ่ามันก็ความทุกข์คือการเสพความชลามันแตกต่างกันเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกชนิดหนึ่งไป็นกาสังเกตเท่านั้นนะครับนี่เมื่อ พระผู้มีพภาคถามปิสุรูปหนึ่งปิสุรูปหนึ่งก็ตอบไม่ต้องเข้าใจภาษาสดาว่าพิจารณาทํำไปเราก็ไม่รู้ว่าท่นตอบไปอย่างไรนะเพราะว่าคําถามอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าคําว่าปัจจัยภายในเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคําที่จะรู้ได้ไง่ายๆหรอกนะเช่นว่าไปตอบแบบปัใจจัยในความหมายจัตุปัจจัยภายในหมายถึงในคือในกุติ พิจารณาปัจจัยในกุติปั จ, จัจศีลในกุติบ่อยไหมบอกพิจารณาบ่อยใช้สอยด้วยความเคารพปัจใจอา่ปาปติสังขารโยเท่าก่อ น, นเสมอก็ตอบคนละเรื่องเลยท่านถามระดับวิปัฒนามาตอบระดับศีลระดับมิสัยของพระวิสุก็ไม่ตรงนะหรือตอบในแง่ของสมถะมันก็ไม่ได้เห็นว่าตอบอวัยวะอันเป็นภายในทั้งหมดอวัยวะอันเป็นภายนอก โดยเทสักก็ไม่ตรงอีกก็ทรงไม่ที่ถามเนี่ยไม่ได้ทรงมุ่งหมายเอาตรงนั้นก็จึงเมื่อภิกษุตอบอย่างนี้แล้วพระอนุนที่อยู่ในที่นั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าเพราะเนื้อความนี้จงแจงแจ้งกับพระผู้มีพระภาคืคอขอให้พระพุทธเจ้าทรงอธิบาย เมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธมีภาคทรงแสดงเรื่องนี้แล้วภิกษุทั้งหลายก็จะได้รับฟังการพิจารณาปัจจัยภายในนั้นแล้วก็จะได้ทรงจําไว้นําไปปฏิบัติต่อไปพระผู้มีภพคจึ็ได้ตรัสว่าอ น, อนนท้าเช่นนั้นเถอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นถูกรับพระผู้มีพระว่าพระพุทธเจ้าค่าพระพุทมีพระก็ได้ตรัส ว่าดูก่อนที่สื่อทั้งหลายอันนี้ก็ย้าอีกนิดหนึ่งว่าเวลาผู้มานั่งฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าเวลาท่านเทศเนี่ยนะท่านทักคนเนี่ยบางทีท่านทักคนตั้งเยอะทักเป็นคนๆ ค, คนไหนถามก็จะเรียกคนนั้นเพื่อจะรับเพื่อยือนยนะันตอบคนนั้นคนอื่นก็พอยฟังด้วยหรือว่าใครมาเป็นหลักในที่ชุ ท, ทิีท่านก็พูดถึงคนนั้นนันบางทีนี่ยไม่ได้ทักโยมสักคําทั้งที่โยมนั่งฟังอยู่ด้วย แต่บางครั้งก็ทักรวมอันนี้ก็แล้วแต่ไอ้การณีของสังคมหรือของที่ประชุมนั้นเป็นอย่างไรตรงนี้บางทีตรัสว่าโนนบางทีตรัสว่าพิสูจทั้งหลายก็เพราะว่ามาเมื่อใดพระโนนแทรกก็จะพูดกับพระโนนเพราะว่าทาานน่านพระโนนนั้นเป็นประธานไม่เรียกประธานได้ประธานนั้นประท้วงเลยแบบในสบายอะไรเงี้ยนะแต่ไยยั า, ยามาพูดถึงว่าเมื่อท่านอธิบายอย่างไร ุิสูจในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าชาาและมรณะนี้อันใดแลย่อมบังเกิดในโลกเป็นทุกข์หลายอย่างต่างๆกันตรงนี้เนี่ยครับเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสคำว่าทุกข์ถ้าอยู่ในปฏิกิริยาสัตว์สีเนี่ยจะเรียกทุกข์และนั้นจะเหมารวมหมด เวลาอธิบายว่าชาติก็เป็ทุกข์อะไรก็ทุกข์นั่นจนกระทั่งถึงตายก็เป็นทุกข์นะฮะแต่บางครั้งเนี่ยครับทรงแสดงทุกข์แบบคือไม่ได้เอาไอ้ทุกข์รวมทุกหลักทุกโลกยอดมาแสดงแล้วขยายมาทุกย่อยทรงเริ่มจากทุกขที่คนเกลียดคนเข้าใจได้เอาขึ้นมาเสหนึ่งอย่างแล้วก็ตรัสว่าเป็นทุกข์เน้นในฐานะว่าเป็นทุกข์อย่างในปฏิจจานเนี่ยทุกที่ท่านแสดงนั้นท่านไม่ได้รวบยอดขึ้นอยู่กับทุกข์ใหญ่ ถึงจะมีทุกข์ในในเวทนานะครับมันเป็นละเรื่องกันไม่ใช่ทุกข์ในทางสารวัฏในปฏิจจานส่งเริ่มไปทุกที่ทุกคนเห็นทุกคนกลัวคือชราและมรณะเนี่เป็นทุกข์อย่างหนึ่งก็จึงได้ว่าเป็นในที่นี้มอ็อก็ในฐานแสดงในฐานะเป็นทุกข์อย่างไม่ได้เป็นบทขยายจากทุกข์ในอริยสัจเหมือนอย่างแสดงด้วยอริยสัจชราและมรณะนี้ที่บอกว่าบังเกิดในโลก บังเกิดในโลกเนี่หมายถึงสัตว์โลกเกิดในชีวิตของเราชะลาและมรณนะนั้นเกิดในชีวิตไอชะลาและมรณะอย่างเป็นเรื่องทิ่ภัยในชีวิตเนี่ยนะอั น, นอื่นเนี่ยมันไม่มีชรลามรอกนะเหมือนอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินก้อนดินนะต้นหมากลากไม้แล้วล้มแล้วเอามาทําเป็นเครื่องประดับมาไปทําเป็นทัวรนิเจอร์ทําเป็นอะไร อ, อะไรต่างๆมันก็เลยไม่รู้มันเกิดเริ่มตายไม่รู้มัน มันเปลี่ยนสภาพไปบางดีมันทําให้ดูอ่าตอนไม้ตายเกิดโตะอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ยมันไม่สิ้นสางไม่มียุติไม่มีกระบวนการทางการตายอะไรแล้วก็ถึงมันจะผูกพังอะไรมันก็ไม่ใช่ภัยในสังฆารวมอะไรเลยแต่ชีวิตเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดเป็นเรื่องของความพลัดพ้าดเป็นเรื่องของเพราะมันมีจิตใจมีกรรมเข้ามาบุงแต่งนะเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็เลยทําให้ชรลาและมรณะนั้นเป็นของภายในที่มุ่งเอาตรงนี้แม้ว่าเวลาจะนิยามาชราลามีหีบแบบจะแบ่งเป็นสมุดติชรลาเรียกชระาไปตามสมมุตินั่นก็เป็นตะเพียงบอกว่าไม่ใช่ปฏิจจ์ปฏิจจาเท่าหมายถึงอย่างนี้เท่านั้นในสังคมเราก็แบกชรลาแบกมรณะกันไว้ทุกคนทีนี้มันเป็นทุกขหลายอย่างต่างๆกันไอ้ข้อนี้ก็จริงครับชรลาและมรณะเป็นทุกต่างๆหลายอย่าง ไอ้บางอย่างมันก็พอจะอธิบายไปได้วยกันได้บางคนก็มีข้อยเว้นเช่นเช่นว่าชะลาเนี่ยเอาชะลาแบบที่เห็นชัดๆก่อนเนี้นะแบบโรคๆผิด โ, โ, โลกกลัวโลกรู้สึกได้มาใช้ได้ทันทีเราถึงเข้าใจคนชะลาแล้วก็คอยนึกอยู่เสมอเวลาเห็นคนชะลาต้องนึกคือตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นบางทีก็เสียวเมื่อไงละครับแต่ว่าแกแล้วก็ไม่เสียวไอ้มาเสียวตอนนี้เช่นว่าที่กินอาหารเคยอร่อยก็ไม่อร่อยอย่างเนี้ย เออทางหมอท่าบอกว่าไอ้ประสาทลิ้นต่อมไม่ได้ทำงามัเสื่อนเสื่อมทําให้ร็อกอาหารที่เคยอร่อยให้อร่อยแค่ไหนก็ไม่อร่อยสั่งให้ไปซื้อเจี๋ยที่เคยกินสมัยยังไม่ยังเตั้สาวอยู่เนี่ยนะไปซื้อมากินแล้วไม่อร่อยแล้วขบวนนี้ลกูกหลานไม่เพาใจก็หาว่าจุ๊จี้ทาอาหารยังไงยังสุดที่มือแล้วมีฝี่มือก็ทํำจนเต็มที่แล้วเนี่ยก็บ่นว่าไม่อร่อยตาหูการรับรู้รับทราบมันมันมีโอกาสเคลื่อนได้ใช่ไหม แต่ยิ่งคนไม่เข้าวัดเนี่ยนี่ก็รู้สึกว่าไม่เหมือนอยังคนเข้าวัดเราก็ต้องเสรียมไปกลัจริงๆกลัวที่จะทําไปเป็นอันนี้ก็คือคนเข้าวัดเนี่มันก็ไม่เป็นคนที่มีอายุมากกั น, น่ารักก็ น, น่ารพเห็นบางที่อยากจะได้ไเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่่ะยเขาไม่มาดีจริงๆไปเจอตามตางจังหวัดเนี่ยอายุมากๆันั้นหน้าตาแจ่มใสดียังเห็นเลยชอบมาก ยังเดินได้เป็นกิโลเนี่ยอายุแปดสิบหกเีไปเจอมาก็แข็งแรงประสาตตาดีประสา ต, ต, าสาตหูดีคนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบุญอยู่กับกุศลอนุเคราะ์เกือ้อกูลนะฮะแกเป็นอย่างนั้นพออะไรเพราะว่าคนที่ทําบุญเนี่ยบุญมันเป็นฝักฝ่ายของสติสัมปชัญญะแต่คนทําบาปเนี่ยบาปเป็นฝักฝ่ายของของความรุ่มหลงของความไม่มีสติสัมปชัญญะต่อให้ไม่ชรลาก็หลง หลงจะทำบาปหลึ่งแรงมากในหลงไม่รู้สึกสำนึก ต, ตัวอะไรเลยทําอะไรก็อะไรขัดขัดกันก็โดยไม่รู้สึกตัวอทีนี้ว่าฟันหักก็ทุกใช่ไหมเวลาเราจะรู้สึกภาพซึ่งเห็นใจกวายางจะลาตอนไปถอนฟันเราเห็นนะตรงสารกวจรจะลางจริงเคยไปถอนฟันยังไล่ะโหไปถอนมาเนี่ยมันมันฟันมันล่วนทั้งปากเหนอกเหนอเวลากินอะไรดีเนี่ยแม่ใช่ไหมว่ามัน เป็นทุกข์จริงๆเป็นทุกข์มากก็เลยนึกว่าคนชราไแล้ะปันเหลือแต่แล้วไม่มีเงินใส่วันรอมด้วยนี่นะเ <c oughs> หลือไม่เต็มไม่เต็มปากกครึ่งปากหรือไม่ยีย่สิบ้าเอร์เซ็นแล้วก็แต่ละซี่ก็หลวมๆเกลียวประงับ ป, ะ, ป ะ, แะแงบปงับแงไปเนี่ยเห็นแล้วก็แหมภาษาภาษาก็ไม่ดีระบบการย่อยก็ไม่ดี <c oughs> ความทุกข์ก็เกิดขึ้นการจะลุกจะเลี้ยวจะเดินจะเหินจะขึ้นจะลงเนี่ยนะไอ <c oughs> ตอนเราไม่ชราเนี่ยไม่รู้สึกอะ แต่พอความจริงก็ชักพอมาถึงสี่สิบอะไรขึ้นงไปแล้วชักรู้สึ ก, กไม่เหมือนเดิมแลชักมีอะไรเปลี่ยนเปลีปล่ยนนะแต่ก็ยังไม่เคยเชื่อยังไม่เคยเชื่อมีส่วนภาพไม่มมมดีหน้า อ, อะไรก็ว่าปะอย่างโน้นมีความปรุงรู้ก็พออย่างชั่วคนเอย่างเงี้ยแต่ว่าทําไปทํามาก็าต้องเชื่อมันมันเสื่อมทามลงนอนเฉยๆก็เป็นทุกข์อะไรเงี้ไม่ดีไอ้โรคภัยแค่เจ็บ ก, ก็เกิดง่ายอันนี้คือเรียกว่าทุกข์ให้มันประจํำสติละ มก็เป็นอย่างนี้และยังคิดไอ้ทุกอย่างอื่นที่มันแฝงมากับความชลาอีกหลายอย่างเช่นมีนความรู้สึกว่าเออเราถ้าพูดว่าคนชลาไม่เข้าวัดเนี่ยนะแม่ไม่มีธรรมะเนี่ยมีชลาแล้วว่าเวก็ไม่ทางชลาละกน็นาดไไม่แกก็ว่าเวอแล้วเนาว่าเวถ้าไม่มีธรรมะไม่มีบุญกุศลแต่ถ้ามีบุญมีกุศลเนี่ยไม่ว่าเวและชอบอยู่คนเดียวที่เจอเหมือนกันที้ใครเล่าฟังมาสองสวันนี้ บอกเป็นคนใจบุญเป็นคนยาลาแล้วก็ช่วยตัวเองได้มาจากนกระทั่งอายุจะเก้าสิบรู้สึกจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมั้งเป็นญาติอะไรยังส่วนมนต์ไหว้พระทุกวั น, น, วนทําบุญทํากุศลใจบุญทานแล้วก็เป็นคนที่ลูกหลานไม่ลําคานและไม่ชอบยุ่งกับลูกหลานคือชอบมีเวลาอยู่คนเดียวไม่ใช่ไม่ยุ่งเลยนะอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขสติสมัสยชั้นญาตินี่ดีมากเออก็อยากจะเจอตัวอยู่เหมือนกัน เห็นลูกหลานก็คุยให้ฟังอย่างนั้นเป็นตัวอย่างก็เห็นได้ว่าธรรมะเนี่ยทําให้ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องอ้อทีนี้ว่าถ้าสมมตเรามีอายุมากขึ้นแล้วเรามีธรรมะเนี่ยนะแล้วรู้สึกเราขึ้นตัวเองได้อะไรได้ก็ก็จะมีความตัวเองมีคุณค่าสาหรับตัวเองแน่ๆตัวนี้แล้ะลูกหลา น, นี่จะเห็นคุณค่าเลยไม่ต้องไปทําอะไรในลักษณะที่ตัวลูกหลานไม่เห็นคุณค่าอายุมากก็เห็นเนี่ยเขาก็เข้าใจเลยอ ตัวลูกหลานเขาจะหาว่าอยู่ทวงอยู่ทวงอารมณ์ทวงอ่ะการลูกหลานที่มันคิดไม่ดีมันมีนี่ก็พยายามจะทำโน่นทํา น, นี่ไปลมบ้างอะไรบ้างก็เอาก็ยังดีนะยังใจออะไรทั้งอย่างนั้นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีคุณค่าแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อนาบุญของลูกหลานเนี่ยมันมีคุณค่าเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคิดหาค่ากับเขาเข า, เขาจะมาเห็นคุณค่าของเราเองแล้วเราก็จะพึ่งตัวเองได้เพราะว่ายัางไงเนี่ยใครก็พึ่งสู้กับ ตัวเองไม่ได้และตัวเองเนี่ยถ้าทําให้ตัวเองมีธรรมะมีบุญเนี่ยบุญกับภาวนาเนี่ยนะเป็นที่พึ่งตัวเองได้ความทุกข์ลดลงตายก็ได้อยู่ก็ได้ก็คนพูดเองก็พยายามจะทําตัวเองให้เป็นอย่างนั้นเองไม่รู้เมื่อไงว่าแก่แ้จะจะขึ้นบนน้วะ น, นี่หลายคนเนี่ยผมเฝ้ามองด้วยความจริงชมในอายุเยอะแล้วขึ้นมาได้เนี่ยนะถือเรื่องแข็งแรงนะ บุญดีนะเนี่ยเราเราเนะ่ไม่ไม่อายุไม่ขนาดนี้ไม่รู้สึกนะไอ้ตอนป่วยตอนแข้งขาดบาดเจ็บมันอาจจะรู้สึกได้บ้างมีสักกี่คนที่จะขึ้นมาบนนี้ได้ทุกอาทิตย์เนี่ยนะขึ้นได้อย่างเต็มใจอย่างอะไรเงี้ยบุญดีจริงๆน่าน่าเลื่อนสายแ เ, เราก็มามองดูว่าอายุมากๆ ก, กันเนี่ยเราจะขนาดไหนเราก็ไม่รู้นะอาจจะขึ้นไม่ไหว มันกระทั่งเหล่านี้ก็ได้เพราะไอ้บุญอย่างนี้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะสู้กันไม่ได้ในแต่ละคนแต่ละคนเราบางคนไม่ทันอายุไม่ทันเท่าไหร่ดูอ่อนแอทําอะไรก็ไม่เคยจะหวั่นไหวก็เป็นนั้นว่าชะลาเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็โดยเฉพาะทุกข์กว่าจะต้องตายถ้าคนไม่มีธรรมะอันนี้ถ้าหากว่าลูกหลานไม่เลี้ยงเนี่ยลูกหลานไม่เลี้ยงหรือว่าเอาพ่อเอาแม่ไปใช้ ปีติเพลงก็ล้องอ่ะนี่บอกว่ามีบุญกุศลเก่าวช่วยได้เมียรวยเป็นลูกเศรษฐีอะไรเงี้ยพาแม่เข้าไปเป็นคนใช้บนเนินบนเปลีอยอะไรเงี้ยก็มันก็คงมีบ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นเลยว่าไปได้สามีดีตัวก็เป็นเท่าแก่เนี่ยเอาแม่ไปเป็นคนใช้จนมัย่ยเนี่ยลอยไรเหี้ย ว่าแม่จะไม่ทำก็ด่าแม่ว่าแม่มันมีจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่มีมีจริงๆก็คงจะเป็นกรรมของแกบาเอาว่าให้กระทบกระเทือนใจลูกที่ทำอย่างนี้มีจริงๆหาไม่ยากอืวันหลังต้องไปแอบแอบถ่ายรูปมาว้บมาถ่ายรูปแมบถ่ายรูปครอบครัวที่เขาก็คือเขาเองเขาไม่รู้เขาทำอะไรผิดนะแต่เราเห็นแล้วก็ทําให้ถูกไม่ลึกถึงตัวเองบ้างเลยแกก็น้อยใจ แต่ก็ไม่รู้จะทำาไรได้นิชลาและมรณะนี้ที่เป็นทุกนี้แหลมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชาามรณะยังมีเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าชาามรณะนี้อันใดแหลย่อมบังเกิดในโลกเป็นทุกต่างๆกันเพราะอุปธิเปเหตุอุปธิ อุปธิเนี่ยมันก็คือพบชาติเอาง่ายว่าชาติคือนามรูปขันธูปธิการที่เรามีขันธูปธิคือนามและรูปมันก็จะต้องมีอาการแก่และอาการตายถ้าเมื่อใดไม่มีขันธูปธิเมื่อนั้นก็ไม่มีชลาและมรณะ ก็คือจะพ้นจากชรามารณาอย่างแท้จริงก็ต้องไม่นิน่นมนำและรูปสะรามารณะนั้นเหมือนสนิมเหล็กอุปเที่นั่นเหมือนกับเหล็กอ่าทีนี้ตรงนี้เวลาพิจารณาแล้วอะไรแล้วเนี่ยคือถ้าเราอ่านเป็นรูปเหตุผลอธิบายเนี่ยมันก็รู้สึกว่าถ้าฟังธรรมะบ่อยก็ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแล้วถ้าหากว่าคนที่อมีอวิชนามาีสัญหามากก็รู้สึกว่าแหมแกชรลาแบบนี้มันเกินไป มันเกินไปให้ใครมาทําให้เราพ้นแก่พ้นชะลาด้วยวิธีไม่มีนนหน้าดูเราคงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องขัดความรู้สึกมากถ้าหากว่าให้ไปดุงหน้าให้ไปให้ไปจี้ขี่มาแรงวัน อ, อะไรอะไรอี่กลับออกอย่างนั้นเราคงรู้สึกชอบใจอยากจะไม่ชะลาแบบนั้นแต่มันเป็นไปไม่ได้หรือไม่ตายแบบไม่ต้องมีรังคารอยู่แล้วไม่ตายเราคิดอย่างนั้นทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ย เมื่อเห็นอะไรแต่อะไรในนามรูปแล้วก็เห็นการเกิดการแก่เนี่ยมันน่าเบื่อเหมือนอย่างที่เราพูดเนี่ยนะเราไปเห็นคนแก่เห็นปัญหาเอาแค่ไงเห็นคนแก่ไปโรงพยาบาลที่เขาเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรแต่ไรแล่งเนี่ยนะเอาแค่นี้ยเห็นแล้วนี่มันพอพูดถึงการไม่เกิดเป็นสุขเนี่ยการเข้าไปสงบระงับสังขารได้เป็นเป็นสุขเนี่ยมันเห็นจริงจังขึ้นมาเลยเคยไปเยี่ยมเราถึงว่า มีโอกาสไปโรงพยาบาลที่คนเป็นโรคแรงต่างๆกันเนี่ยนะมึงคนเป็นมะเร็งที่ลิ้นมึงคนเป็นมะเร็งไรตายๆไปแล้วก็มีเนี่ยเห็นแล้วมันมันอะไรกันใครจะช่วยเขาได้อะไรจะช่วยเขาได้และเราเนี่ยยังไม่เป็นอย่างนี้บา้างเชยรลยและเขาเป็นแค่ชาตินี้ชาติหน้านไม่ไม่ต้องมาเป็นดีเลยใครจะมารับประกันได้อันนี้แค่ชั้นความคิดนะ่ะนี่พอมาชั้นของการไอ้ไอที่เราไปรู้สึกต่อไอ้นาม ล, ลูกการรับรู้ของเรา ว่ามันไม่เป็นตาล่าแล้วแล้วมามองถึงในชีวิตที่เกิดแล้วว่าทั้งข้างนอกทั้งข้างในมันก็หมุนเวียนทัมงนั้นทั้งส่งกากันอยู่อย่างนี้เราก็จะเกิดความรู้สึกว่านามและรูปนี้ไม่น่ายินดีเราจะเห็นโทษของอุปธิเห็นโทษของการเว้นว่าแ่เกิดคือพูดง่ายว่าเรื่องนี้นะมันไม่ใช่แค่เข้าใจเหตุผลแต่จะต้องเกิดความรู้สึกจากการสัมผัสนามและรูป อย่างเท่าที่เราจะเข้าถึงได้ใครเข้าถึงความจริงของน้ำรูปได้มากเท่าไหร่มีแง่มุมมากเท่าไหร่ความรู้สึกมันก็แรงเท่านั้นแล้วก็ไม่รู้สึกจุดอัดไปรู้สึกแปลกความคิดของตัวเองเมื่อได้ยินคําว่าการเกิดเป็นทุกนามและรูปเป็นทุกที่ไหนมีน้ำรูปที่นั่นเชื่อว่ามีทุกรักนามรักรูปรักการเกิดเชื่อว่ารักความทุกข์รักสีรักโรค บุตรเจ้าตรัสถึงก็เป็นนามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องสูงสําหรับข่มเทั่วๆไปอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นเหตุจะพูดถึงไอ้ความเชื่อมต่อกันของเหตุของปัจจัยตรงนี้นะ่ะมันฟังแล้วมันเหมือนกับปัน้นดินใช่ไหมมีแก้วก็ต้องแตกอะไรเงี้ยนะมีชีวิตมันก็ต้องแก่มันเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาและเรามันเกลียด ตัว ก, าากินไข่เกี่ยมาไหลกินน้ำแก่ตื่เกลี่ยได้แก่เกลียดตายแต่ว่าไม่เกลี่ยน้ําลูกเราก็กลู้รู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าไอ้ความไอ้จุดยากข้ามานเนี่ยมัคือการที่เราไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นคนซื่อกับความจริงของเหตุผลที่มันเกี่ยวข้องกันเราเกลียดชะลาเกลียดมรณะแต่ไม่เกลียดชีวิตที่ชะลาและมรณะมาอาศัยอยู่ มันขัดแย้งกันอย่างนี้มีการที่จะถอนความรู้สึกขัดแยง้งตัวนี้มันมันถึงว่ามัน อ, อพ้นชาชร า, ามรนาไม่ได้ไงเพราะอะไเพราะเราเ ร, าเรายังรักยังรักก้อนทุกข์อยู่แล้วจะไปเกลียดอย่างอื่นมันก็เกลียดแล้วมันไม่หลุด ก, ก็เรียกว่าอะไรละเกลียดยังไงก็เลยยังได้อย่างนั้นอยู่ก็พออย่างนี้อันนี้ก็คล้ายๆกับอะไรเลาย่เรื่องนึ่งครับบางทีเราก็เกลียดอย่างแต่ว่าเราก็ เราก็ไม่ชัดเจนนะอย่างเช่นเราบางคนเนี่ยอาจจะชอบมีอำนาจชอบอะไรแตเกลียดไอ้ความวุ่นวายชอบรวยชอบการนั่นหน้าถือตาแต่เกลียดไอ้เรื่องวุ่นวายไม่ว่าจะในทางการเมือหรือในทางธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะบางคนก็ชอบอยู่บ้านใหญ่ที่กว้างแต่ว่าเกลียดไอ้ความสกปรกลอกลุงหลังเกลียดการหาคนช่วยทำไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่องแซมบำรุงรักษาอะไรก็เลยไม่รู้จะเอาอย่างไงกันแน่ เปลี่ยดรถติดแต่ก็ชอบซื้อรถไหนก็ <Okay. S 1> ก็ไม่รู้จะทําไรกันดี <Okay. S 1> เวลามิจิปลามาให้ผมในเรื่องต่างๆนี่ก็บอกยาตรงนี้สิเร mm ่ hmm. องเช่นว่าอ้าถ้าจะคุมกําเนิดก็ต้องคุมกําหนักสิ mm hmm. อ้าวเกิดไม่อยากมีลูกเยอะแต่ว่าไม่อยากคุมกําหนักอะไรเนี้ยมันก็ยีดลงตรงนังกัอยู่ mm hmm. คือไอ้ชีวิตเราเนี่ยมันขัดแย้งอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสังคม ในการดำเนินชีวิตแล้วก็รวมทั้งทุกในสังสารวัตรถ้าเราถอนความขัดแย้งได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเพ่าคลายทุลายไปแล้วก็ไออันหนึ่งก็คือมแม้กระทั่งนิสัยของเรานิสัยของเราที่มันขัดแย้งกันเองเนี่ยอันนี้ร้ายกาจมากที่มันทําให้เกิดไอปัญหาเกิดความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยนะมาว่เข้าะห์ดูเอยเออเราเนี่ยมันมีนิสัยขัดแยง้งขัดแย้งกันไอกันเองเอ อ, เอ พอไม่เอาไอ้ตรงนี้ก็อยากอยากได้อยากทําอยากครับแต่ตรงนี้ก็ไม่อยากคืออะไรมันขัดในบางทีก็ไม่ได้รู้ว่าอยา่อยางเนี้ยแต่ว่าคล้ายๆว่าง่งงานกับบุคลิกข้งตัวเองมันขัดแย้งอย่างเช่นอยากจะทําบัญชีแต่เป็นค น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเฮลันจิกจะมือไวใจเร็วแต่ชอบจะเรียนมาทางนี้ทางการเงินจะมือไวใจเร็วแล้วมันจะไปหาความเจริญได้ไงไอ้ชอบกับไอ้อีกอย่างหนึ่งมันไม่ไปด้ยกัน ก็เลยบุญก็ฝากเป็นข้อสังเกตตรงนี้หน่อยแล้วก็จะเข้าใจเรื่องแม้แต่เรื่องอกรรมฐานเนี่ยก็จะเป็นอันเดียวกันหมดเลยทั้งหลักตื่นหลักหลึกก็พูดต่อไปในสูตรนี้ท่านตรัสถึงพิจารณาถึงอาการดับชลาละมาณาปฏิปทาเพื่อให้ดับชลาละมาณะก็คือมรแปดนั่นแหละครับผมคงจะ ค้างไว้แค่นี้ก่อนเวลาลงเลยมามากแล้วนะที่เหลือจะอธิบายต่อไปในครั้งหน้ารือเฉพาะเริ่มตัญหาอย่าเป็นจุดเด่นมากๆของสุดนี้ตัญหาต่อปติคุณนพวรรณเพลิวิสาได้ฝากมาประกาศให้พวกเราโนโมตนาว่าครั้งหนึ่งหลายสัปดาห์มาแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนผมไปอินเดีย ได้มาชวนให้พวกเราทำบุญดูเหมือนจะสร้างโรงพยาบาลนัคปัะสร้างโรงพยาบาลนะลูไหมชอบนะฮ <c oughs> ะซึ่งท่านพระครูเจ้าวาดวาดัดป่าป่าอะไรนะโพกมนอ่าพกมนอันดูแลเรื่องนี้อยู่ก็ได้เขียนจดหมายตอบมาคือที่เราได้ลงขันรดน้ำบุญในวันนั้นนะครับได้ปัดใจไป หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทขอให้ทุกท่านที่บริจาคกดีหรือว่าไม่ได้มีโอกาสร่วมบริจาคก็ได้อนุโมทนาการาสร้างโรงพยาบาลเป็นการเชิดชูเกียตรติหลวงปู่ดุลด้วยและร่วมรัชอบด้วยแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมทั้งตาทั้งโยมคือสร้างโรงพยาบาลเนี่ยขอให้อานิสงส์ที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ให้มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็ดแล้วก็มีจิตใจที่ของแพ้วมีภูมิต้านทานได้รับราัตจากรโรคทางจิตคือกิเลสเราให้จิตใจและร่างกายเข้มแข็งด้วยอนนัไมแห่งความดีอยู่เสม อ, อท่านก็บอกว่าในจดหมายนี้จะใช้งบประมาณสร้างถ้าหลายนะ้าสี่ล้านกว่าสี่ล้านกว่าแต่นี้ท่านก็มีอยู่สี่ล้านนะใช่ไห ตีลนเนีก็คงอยากข้าใครรู้จักและมีโอกาสไปทางนู้นได้พอไปเห็นนึกได้ก็จะไปร่วมทาบุญกันงกลาวแล้วก็เยืนนี้นะท่านใครที่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดบอนพุทธนักวัดตอนพุทธซึ่งมีท่านพระครูภาวนากิตติเป็นเจ้าวาดและเป็นวิปัสนาจารย์อยู่ที่นั่นเป็นการปฏิบัติใช้ของพม่ายุา่งนอพ่องนออเองท่าเองไปปฏิบัตินเะชืเคุณ โดกถ้าทำาจไม่ผิดท่านก็มาตั้งกันนักทำงานของท่านตลอดชีวิตครับปฏิบัติด้วยสอนธรรมฐานด้วยด้วยความตั้งจิตตั้งใจอยู่ที่อำเภอตำบนดอนพุทธในเขตจังหวัดระ บ, บรุรีถ้าไปสายเอเชียก็ถึงนางทองก็แยกเลี้ยวขวาแยกเลี้ยวขวากลงไปสักไม่กี่กิโลวัดจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือถ้าใครรู้จักแล้วก็เกิดไม่รู้จะไปก็ขอเชิญนะ ก็ขับรถเียนเจ้าสักเ่้โมงกึ้งมั้งไปถึงที่นั่นก็มีพวกเราที่เดินทางไปแล้วก็มีเทคารมตื่ท่านองคขอยุติท่านี้นะครับสําหรับเทส่วนมนต์ของพระลังกาครับที่คือมีลังกายังทำไม่ทนันก็บังเอิญเขาอยู่ตรงกลางกันเลยไม่ได้ทําก็เลยต้องมารบควนคุณมินิท่านช่วยทําแล้วก็ข่าวหน้าก็จะมาวางให้ท่านแน่นอนนะ